นิยปูชา2549รวมคำสอนเกล็ดความรู้และเคล็ดลับต่างๆในหัวข้อสั้นๆจากคำสอนและเสียงเทศนาธรรมโดยพระราชสังว ร, รยานหรือหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยรวบรวมและเรียบเรียงโดยดอกเตอร์ดาราวันเด่นอุดมเสียงอ่านโดยโจโฉ ถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวใครๆเขาก็แตกตื่นกันสวดมนต์ภาวนาอุทิศถวายสมเด็จย่าหลวงพ่อไม่ถวายสมเด็จย่าท่านไปดีของท่านแล้วถวายแต่ในหลวงสวดมนต์ภาวนาน้อมจิตน้อมใจอธิษฐานจิตขอให้ในหลวงทรงพระชนมายุยืนนานถึงร้อยสองร้อยปี เวลานี้บ้านเมืองของเราอยู่เพราะในหลวงองค์เดียวเท่านั้นไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ที่ในหลวงจะเสด็จเหยียบพืนแผ่นดินไทยไปทุกหย่อมหญ้าเหมือนพระองค์นี้เพราะฉะนั้นใครๆสวดมนต์ภาวนาอธิษฐานให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีก็ยิ่งดีถ้าเป็นไปได้ หลวงพ่อได้สอนวิธีอธิษฐานจิตให้ลูกศิษย์ไว้ว่าให้นึกอธิษฐานข้าพเจ้าได้บำเพ็ญคุณความดีมารับราชการมาด้วยความซื่อสัตย์สุดจริบทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองได้ปฏิบัติศีลธรรมกับครูบาอาจารย์รับใช้ครูบาอาจารย์เป็นบุญเป็นกุศลข้าพเจ้าขอประมวลมาอุทิศเป็นพลังน้อมจิตน้อมใจ ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุยิ่งยืนนานปราศจากพระโรคาพาดทั้งหลายทั้งปวงเป็นร่มโพร่มใสแกพระสงนิกรสืบไปหมายเหตุผู้อา่านสำหรับท่านที่ไม่ได้รับราชการนะครับก็อาจจะน้อมถึงความดีต่างๆที่เราได้ทำบุญทำกุศลไว้นะครับ สรุปก็น่าจะเป็นแนวที่ว่าทำความดีให้มากและน้อมนึกถึงความดีที่เราทำนะครับแล้วก็น้อมจิตถวายเป็นพระราชกุศลแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับ